หลวงพ่อมีเขียนนะท่านเคยบอกบอกท่านเคยสรุปนะบอกว่าหลวงพ่อเทียนท่านสอนไว้อย่างนี้ท่านบอกว่ารู้ปลายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมรู้กลางเห็น น, นิพพานรู้อาการเห็นผลไม รู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมรู้กรรมเห็นวิพานรู้อาการเห็นปรรมะคำสุดท้ายไม่เข้าใจปรตมะรู้ธรรมรู้ธรรมเห็นปรรมะเอ้ยรู้อาการเห็นปรรมะอันนี้ อรู้กายก็เห็นจิตใจเนาะตอรู้กายตอรู้กายเริ่เรียนรู้แต่กายนะตอนแรก็รู้กายเนี่ยแล้วก็ไปรู้กายไปก็จะเห็นใจได้เนาะนั้นรู้กายไม่ใช่จดแค่รู้กายนะดูกายก็รู้ไปพอใจนั่งคิด รู้คิดนะก็เห็นธรรมนะรือความคิดรู้กิเลสนยรู้อ่ารู้อารมณ์ก็ดรียกวิ่งแย่ไปรู้คิดนะเนาะมันจะเห็นธรรมมากตรงนันนะรู้กรรมนะกรรมกรรมกรรมไม่ใช่ว่าเคยทํากรรมไม่ดีได้กรรมนะรู้กรรมก็รู้กรรมกระทําเนี่ย หรืกความทางกายหรือความทางวาจาหรือความทางใจก็นะรู้ว่าเราทําอะไรนะตอนที่เรารู้ว่าเราทําอะไรดังนั้นเราก็จะใจเราปกตินะใจเราเป็นวิพานนั่นแหละใช่ไหมเห็นไะสังเกตนะพอเรารู้สึกตัวเรารู้ว่าเลยก็สัมผัสกับิพานขนาดนั้นนะรู้ความนะ ให้ไปรู้อดีตชาตเรื่วมนาคตนู้สิ่งที่เราทํำแหละอาจจะเข้าใจานิพพานนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อนาคตไม่อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อเราู้กรรมรู้กรรมประธรรมของเรารู้อาการเห็นปรามะอาการของการอาการของใจอาการอะไร ขึ้นสการตั้งอยู่ประการหลับไปนี่คือความจริงปรามักนะอาการของรูปอาการของนาเนี่ยเป็นปรามักเห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นกายเราใจเราเนี่ยน่เป็นสมมุติเป็นสมมุตินะเห็นนั้นไม่ที่อยากเห็นนั้นเป็นทูกเห็นไม่ ว่าเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่าเปล่าจากความหมายเห็นความเป็นตัวตนถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเป็นตัวเป็นตนรับรู้อาการนี้เลยเห็นอาการอาการเคลื่อนอาการอยู่นี้ก็เป็นแค่เริ่มตน้นเห็นอาการเกิดอาการหลัก เห็นอาการไม่เพี่ยงเห็นอาการเป็นทุกข์เห็นอาการไม่ใช่ตัวตนี่ยมันจะเข้าถึงปรมัาความจริงนเนะมื่อเราเข้าถึงความจริงโลกต่างๆมันจะจืจะดมันจะรูนแรงมันจืดจืดในรสชาตินะสุปก็จืดทุกข์ก็จืดแต่ก่อนซุปอยากเอาทุกข์ไม่อยากเอานะถ้าเราดูเฉยๆเป็นเพียงแค่อาการจ้ะ ไม่ว่าทุข ก, ก็เกิดแล้วก็ดับทุกเกิดก็ดับปิติเกิดก็ดับรุ่งเรืองเกิดก็ดับเป็นอาการมีค่าเท่ากันนะถ้าเห็นเป็นอาการค่าเท่ากันถ้ายังไม่เห็นเป็นอาการอันนี้จะชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้อยากได้อันนี้ไม่อยากได้ถ้าเห็นเป็นอาการ เสมือกันเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นภาพเห็นเป็นขันนี่ถ้าไม่มีพระเจ้าเราบอกมาสอนนะคนยากที่จะเห็นเห็นกายยังเห็นนะมีสมาธิอยู่กับการงานน่ะนไม่ต้องสอนก็พอทำได้แต่จะเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นปรมาจิตจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาจะไม่เห็น ก็ไม่เข้าใจแต่นะาภาวนาไปหนะอปเทียนท่านไม่ได้อ่าอนทะ่านไปตีดตกเยอะนะแต่ท่านภาวนาท่านพูดับเนี่ยพูดคำนะ่นะมหาวันทีก็ฟังเรื่องนะรู้โดยสัตว์นะแต่นะนะนะไม่เข้าใจคือความหมายก็มีนะเราก็ค่อยๆเนะข้าใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไร ภาวนาไปนะแต่เนะียคือวัอาจารย์ท่านบอกไปแบบนี้นาะท่านสรุปให้เราฟังท่านสันนะ้นรู้กายเห็นจิตนะรู้คิดเห็นธรรมรู้กรรมเห็นนิพพานรู้อาการเห็นปรมนนะัจิตเป็นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงท้ายของการปฏิบัติเนาะก็เดี๋ยวจะมีวิสื่อให้พวเราดู